สถานที่ที่พระเถระทั้งหลายมีพระมหากัะสตะเถระเป็นประธานใช้ประชุมกระทำสังฆนานารวบรวมพระธรรมวินัยคือที่ใกล้ประตูถ้ำสัตตบุญคูหาอาตมาก็ไปไม่ถึงนะไปได้แต่เชิงเขาข้างภูเขาเวพารบันพธิ์เมืองราชครื้และใช้เวลากระทำอยู่เจเดือนจึงสำเร็จวันที่เริ่มกระทำสังฆนานาได้แก่วันแรมห้ค่ำเดือน9 เมื่อพระเถระทั้งหลายมานประชุมพร้อมกันแล้วพระเถระทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้มอบหมายให้พระมหากรัจปะเถระรับหน้าที่เป็นประธานและเป็นผู้ถามปัญหาธรรมวินัยต่างๆโดยที่ประชุมพระสังฆเถระได้ตกลงเห็นพ้องต้องกันให้รวบรวมพระวินยัยอันเป็นเสมือนลากแก้วขึ้นก่อนสำคัญมากนะพระนี่เราอยู่ได้ด้วยศีลความสุขของพระนี่ยอยู่ด้วยศีล เราจะไปนึกถึงสมบัติอย่างอื่นนะไม่ได้ไม่มีจะไปนึกว่าเรามีบ้านเท่านั้นมีเงินเท่านั้นมีตำแหน่งเท่านั้นไม่ได้ก็ต้องนึกถึงว่าเรามีศีลอะไรอยู่บ้างเราเว้นขาดจากสิ่งชั่วอะไรได้บ้างอันนี้เป็นความปลื้มใจของพระแล้วอยู่ได้เป็นพระได้เพราะศีลอันนี้เป็นชีวิตของพระทีเดียวั้นศีลเนี่ยจริงๆก็มากกว่า2องรีเนะ นับประมาณไม่ได้เป็นรากแก้วของชีวิตพระหรือพูด ง, ง่ายๆรากแก้วของพระพุทธศาสนาโดยมีพระอุบาลีเถระผู้เป็นเอตะทะ ค, คะคือเป็นผู้เลิศในการทรงพระวินยัยเป็นผู้ตอบปัญหาพระวินยัยพระอานนเทเถระผู้เป็นเอตะทะ ค, คะห้าประการเป็นผู้ตอบพระสูตรและพระอาภิธรรมเมื่อจัดรวบรวมเป็นปีดก็กได้สามปีดก คือ1พระวินัยปิดก2พระสุตตันตปิดก3พระอภิธรรมปิดกมีพระบางรูปนะจบประญญาเก้า ย, ยิ่งใหญ่อะไรกันแล้วแต่บอกว่าพระอภิธรรมปิดกเนี่ยเกิดในสมัยสังขยนาครั้งที่สนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะแสดงว่าเรียนหนังสือไม่ได้รู้เรื่องอะไรเขาบ้างเลยเขาสังขยนากันครั้งแรกมีตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่แล้วพระโมกขลานะเนี่ยเป็นผู้ เชี่ยวชาญในพระอภิธรรมภาษาดีบุตรก็เหมือนกันนะพวกนี้นี่เป็นพวกที่เกลียดอภิธรรมมาพระพวกเราเดี๋ยวนี้เกลี่ยนอภิธรรมเพราะว่าความรู้สู้สู้พระที่เรียนอภิธรรมไม่ได้เลยมันไส้ก็เลยไปโจมตีพระอภิธรรมว่าไม่ใจพุทธพจน์บ้างจริงๆแล้วเนี่ยพระอภิธรรมปิดกอนะเป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้เลยแล้วจึงแสดงเป็นพระสูตร เอาพระพิธรมิกดกามาแสดงเป็นพระสูตรให้ฟังกันได้ปฏิบัติได้เพราะว่าจริงๆที่พระพุทธเจ้าตัดสั้นตัดสั้อะไระตัดสั้นอริยสัจสี่รอปฏิจจสมุปบาทนั่นนะเป็นสภาวะธรรมลุู้วนไม่มีสัตว์ไม่มีคนนะในที่ไหนเอาอย่างกําหนดชลามรณะเนี่ยฉลาอะไรละชลานามรูปชลามรณะอะไรละมรณะนามรูปมรณะชาติอะไรแล้วชาติอะไรแล้พบเป็นสภาวะธรรมทั้งนั้น นะถ้านับเป็นพระธรรมขันธ์ก็ได้แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นี้ถ้าแยกกระจายเป็นคำพีพระวินัยจะมี5คือ 1. อาทิกรรม 2. ปาจิตติ 3. มหาวัคษีจุลวัค5ปริวารวัคย่อหัวใจพระวินัยว่าอาปามะจุปะอาก็อาทิกรรมนะสมัยก่อนอาจะมาก็ท่องไปเรื่อยอาปามจุปะอาปามะจุปะ ท่องแบบใล้ๆเป็นคําศักดิ์สิทธิ์จริงๆก็เป็นหัวใจพระวินยัยอ่ะพระสมัยก่อนเขาท่องกันได้จริงๆส่วนพระสูตรหรือพระสูตรทันตบิดกมีห้าคำพีคือหนึ่งทีฆนิกายสองมัชชิมนิกายสสังยุตตะนิกาย 3. สยาาย 4. อังคุตรานิกายห้ขุดทธกานิกายสรุปเป็นหัวใจพระสูตรว่าทีมสังอังขุนะทีมะสังอังขุพระทิธามีเจ็ดคมภีร์ได้แก่หนึ่งสังคณีสอง วิพังสมธาตุกถาสี่ปุกขระบัญญัติ5กถาวัตถุ6 ย, ม, ยมกเจปัจฐานย่อเป็นหัวใจพระวิธรรมว่าสังวิธาปุกะยะป ะ, ะการกระทำตัดถมสังขยนาก็มีเลื่อยกันมาจนถึงวันนี้ถึงทุกวันนี้เขาเรียกว่าเทศแจงเทศแจกแจงนั่นเองแจงคือแจงพระพุทธพจน์ออกไปเรียกว่าเทศสามธรร ม, มาตสมมติพระสงฆ์ ให้เป็นพระมหากัสสปะอุบาลีและพระอานนท์เนี่ยก็จะทำในพิธีงานศพโดยถือว่าเจ้าภาพได้บุญมากคือผู้ง่ายๆว่าวเป็นพระเจ้าวอาชาติศัตรูแล้วก็จัดให้สังคยาเพื่อจะได้อุทิศบุญไปให้แก่ผู้ตายคนมีสตังริ่งจะทำได้ว่ากันง่ายๆพระมหากัสสปะเทระมีชื่อเสียงปรากฏ ในลักษณะที่คนทั้งหลายยกย่องว่าเป็นสังฆวุฒ ธ, ธาจารย์คือเป็นอาจารย์ผู้เจริญในหมู่สงฆ์หรือสังฆป า, าโมกเป็นประธานสงฆ์หรือสังฆเถระคือเป็นใหญ่ในหมู่พระภิกษุและชื่อว่ามหากัสปะเถระก็หมายถึงว่าเป็นผู้มีอายุมากชื่อต่างๆเหล่านี้เหมาะสมกับการที่เป็นผู้มีหลักธรรมอันเป็นเกียรติคุณความดีของท่านทุกประการโดยเฉพาะ การที่คิดรวบรวมพระธรรมวินัยขึ้นเป็นหมวดหมู่นับว่ามีคุณประโยชน์ใหญ่หลวงแก่พระพุทธศาสนาและพุทธบริษัทยิ่งนักที่เขาเรียกกันว่าเถระวาทะวาทะของพระเถระห้ารมีพระมหากัสปะเป็นเป็นประธานนี่แหละที่เราเรียกว่าลัทธิเถระวาดเราเอาอันนี้นะเอาวันนี้มาใช้ว่าพระมหากรสปะเถระผู้เคารพพระพุทธเจ้าสูงสุด เราเนี่ยไม่ได้คึ่งหนึ่งในแสนล้านของท่านหรอกเป็นผู้กระทาสังคาราเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อถือกันได้แล้วท่านก็ทรงจำกันไว้ทั้งห้าร้อทรงจำหมดแล้วก็สั่งสอนสืบต่อต่อกันมานะสืบต่อต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ทีนี้มีเรื่องที่เกี่ยวกับพระเถระอีกเรื่องหนึ่งคือเป็นเรื่องที่เรียกว่า ธาตุนิทานกรรมธาตุนิทานกรรมคือพิธีฝังพระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุคือพระพ่หาหักัสปะเทระอีกนี่แหละได้พิจารณาเห็นอันตรายอันจะพึงเกิดมีขึ้นแก่พระบรมสารีริกธาตุในอนาคตกาลคือหลังจากที่ได้ถวายพระเพลิงแล้วก็มีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกไป เป็นแปดส่วนนะให้แก่บรรดากษัตริย์ต่างๆพระเจ้าอาชาติสัตรูก็ได้มาส่วนหนึ่งนะทีนี้พระมาะหากรสปะเทระเนี่ยพิจารณาแล้วว่าพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุธเทธเจ้าเนี่ยนะจะมีอันตรายต่อไปในอนาคตจึงได้ถวายพระพรชักชวนพระเจ้าอาชาติสัตรูให้ทรงรับภาระทุระในการกระทาเรียกว่าธาต ธาตุนิทานหรือธาตุธาตุคือพระพรมหมสารีลิกาธาตุนิทานก็คือฝังไว้ในพื้นดินส่วนการรวบรวมพระพรมหมสารีลิกาธาตุซึ่งกระจายไปนั้นน่ะพระมหากัสปะเทระได้ทาหน้าที่รวบรวมคือขอรับการอัญเชิญจากเมืองต่างๆที่ได้รับส่วนแบ่งไปกลับมาจนหมดทุกแห่ง ยกเว้นพระบรมสารีริกธาตุในรามคามเพียงแห่งเดียวที่ไม่ไม่สามารถนํามาได้เพราะว่าพระมหากัสปะเถระนี้พิจารณาเห็นว่าต่อไปภายหน้าเนี่ยพญานาคจะมาเชิญไปไว้นาคพิภพคือที่รามคามเนี่ยพญานาคเขาได้บูชาแล้วต่อไปเขาก็จะมาเชิญไปสู่นาคพิภพจะทําให้ปราศจากอันตรายแล้วในอนาค ต, ตการพระบรมสารีริกธาตุส่วนนั้นแหละ จะไปสถิตอยู่ในลังกาทวีบคือในเกาะลังกาและบรรจุไว้ในพระมหาเจดีย์นมหาวิหารซึ่งอาตมาก็เคยไปบูชามาแล้วเมื่อเดือนเมื่อเดือนมีนาคมนี้เองนะเป็นเจดีย์ที่น่าเลื่อมใสามากเจดีย์นั่นเรียกว่าสุวรรณเจดีย์ก็เรียกแต่เขาเรียกกันโดยส่วนใหญ่ว่ามหาวิหารนั่นแหละพระโรงสาลีดีกท็ทาจะไปอยู่ที่นั่นเพราะว่าพระมหาหินทเทระได้นาไปจากนาคพิพพ เพราะฉะนั้นพระมหาเถระจึงไม่ได้อัญเชิญมาไม่ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนนี้มาขันพ ร, ระมหากา ร, ปประสปะเถระอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสถานที่บรรจุทั้งเจเมืองอก็นําไปไว้ที่ทิศอาคาเนนะตะวันออกเฉียงใต้แห่งกงรุงราชักลึแล้วตั้งจิตอธิษฐานท่านใช้อธิษฐานอธิษฐานจิตเข้าเข้าฌานสี่จนกระทั่งออกจากฌานสี่แล้วเกิด อภินยาจิตหนึ่งดวงและอธิษฐานอำ น, นาจสมาธิอันบริสุทธิ์อย่างนี้ก็จะให้เป็นไปตามนั้นอนธิษฐานให้ศีลาคือแผ่นหินนะที่มีอยู่ในที่นั้นอันรธานไปเหลือไว้เฉพาะดินที่บริสุทธิ์กับทั้งน้าก็จะได้ผุดพุ่งขึ้นมาในสถานที่แห่งนั้นฝ่ายพระเจ้าชาติศัตรูก็ตัดสั่งให้ประชาชนช่วยกันขุดขุดลงไปในสถานที่ที่พระมหารถะอธิษฐานจิตแล้ว นำเอาดินที่ขุดขึ้นมากระําเป็นอิฐนะก่อเจดีถวายพระอสีติมหาสาวก80รูปเป็นพระเจดี80องค์ทั้งยังตัดสั่งให้ปิดบังไม่ให้ใครทราบว่ากระทาพิธีฝังพระบรมสารีริกธาตุเป็นอันขาดปิดบังเอาไว้เดี๋ยวกลัวพวกข่าศึกที่เกลียดพระพุทธศาสนาจะมาทำลาย ก็แสดงว่าทําพิธีเนี่ยไม่นานนักนะไม่นานหลังจากที่ได้ทําสังขายาาเสร็จไปแล้วเนี่ยคงไม่นานนักหรอกมหาชนได้ช่วยกันขุดลึกลงไปในแผ่นดินนะแปดสบสองแล้วให้ปูพื้นล่างด้วยแผ่นทองแดงแล้วให้สร้างเรือนทองแดงโตเท่ากับเรือนพระเจดีย์ในถูปารามเป็นคล้ายค้ายอุโมงค์อะเป็นห้องเป็นห้องเรือนเนี่ยก็ใหญ่ขนาด อย่างน้อย200เมตรโดยรอบนะสเมตรโดยรอบสำหรับกล่องและภะสถูปที่ใช้บรรจุพระบรมธาตุรับสั่งให้ใช้วัตถุต่างๆคืออย่างที่หนึ่งใช้แก่นจันทร์สีเหลืองอย่างที่หนึ่งแก่นจันทร์แดงใช้งาแก้วทองเงินแก้วมณีแก้วแดงแก้วลายแก้วพลึกโดยกระทาเป็นกล่องแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ชั้นเนี่ยชั้น และพระสถูปก็ทํา8ชั้นเหมือนกันก็ทําจากเล็กไปหาใหญ่พอให้สวมเข้ากันได้และความใหญ่ของแก้วพลึกไงสถูปแก้วพลึกชั้นนอกสุดนั้นประมาณเท่าพระเจดีย์ในถูปารามถูปารามในในลังกานะอัตมาก็ไปมาแล้วเหมือนกันไปบูชามาแล้วเหมือนกันแล้วให้กระทาเลือนแก้วห้องนะ่ะห้องที่บรรจุพระรมสารีธาด้วยแก้วอย่างวิเศษเจประการ สวมครอบพระสถูปแก้วพลึกแล้วกระทำเรือนทองสวมครอบเรือนแก้วอีกทองทั้งหมดกระทำเรือนเงินสวมครอบเรือนทองอีกชั้นหนึ่งแล้วโปรโยทรายแก้วเจตดการเนะพชรดีมันีแดงเขียวใสแสงมรกตเหลืองใสสดบุตรลาคำแดงแก่กรรมโกเมนเอกในอย่างเนี้ยโปรโยเต็มแล้วโปรโยดอกไม้ทั้งหลายทั้งที่เกิดบนบกและในน้ําทําไมทําแบบนี้บูชานะบูชาคุณพระผู้มีพระภาคเจ้า คือพระบรมสรินิกธาตุนั่นแหละเป็นเป็นธาตุดูชาไดา้ทั้งให้ใช้ทองคำกระทำรูปพระโพธิสัตว์ห้า้อยห้าสิบชาติรูปต่างๆเช่นพระเวสสันดรพระสุวรรณสามพระเตมีแล้วรูปพระมหาสาวกอีกเจ็รูปเจดรูปนะรูปพระพุทธบิดารูปพระพุทธมารดารูปสหาชาติทั้ง 7, เจดผู้ที่เกิดร่วมทั้งเจ็ดมีม้า กันทะกะเป็นต้นทำด้วยทองคำแล้วก็ตั้งหม้อน้ำทองหม้อน้ำเงินอย่างละ500อลูกปักธงทอง500อคันตามประทีปทองไฟจุดไฟที่ทำด้วยทองแล้วก็เงินอย่างละ500ด้ามโดยใช้น้ำมันหอมเป็นเชื้อใช้ผ้าทุกุลพัด ผ้าอย่างดีทําไส้จุดบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่ประทีปทองและประทีปเงินนั้นแล้วพระมหากัตสปยเถระก็อธิษฐานจิตให้สัพพะปูชนียพันฑ์คือของที่บูชาพระพุทธเจ้าทั้งหลายคงสภาพอยู่อย่างนั้นตลอดนิจ ต, ตลอดนิจจยการตลอดกาลนานกับทั้งให้จารึกอักษรลงในสุพรรณบัตรคือแผ่นทองคํา ปริสถานไว้ในที่นั้นเป็นคำพยากรณ์คาทานายที่ชี้ขาดไว้เลยว่าสืบไปในอนาค ต, ตการเมื่อพระอโศกราชกุมารได้ผ่านพิภพมาไหสวรรสมบัติยกขึ้นซึ่งสเสวราชาฉัตรทรงมีพระนามว่าพระเจ้าธรรมาโศกราชคืออีก213ปีเนี่ยงราปีหลังจาก อย่างจากพุทธบริญญาแล้วในการใดพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นจะได้แจกพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายนี้ไปในสกลชมพูทวีปในการนั้นคือบัญจุไว้เพื่อรอพระเจ้าอโศกมหาราชส่วนพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ทรงกระทาสักการะบูชาด้วยเครื่องราชปุสาธนาลังการาพรแล้วจึงเสด็จออกมาภายนอกรับสั่งให้ปิดประตูเรือนพระบรมสารีริกธาตุ ติดห่วงและสายอยู่ใส่กุญแจผนึกตรีตาทุกทุกชั้นเรียงลำดับออกมาจนถึงประตูเรือนทองแดงอันเป็นเรือนชั้นนอกสุดแล้วก็วางแก้วมานีดวงใหญ่ไว้ในที่นั้นก็คงจะเป็นเพชรนะเพชรใหญ่กับให้จารึกอักษรไว้ว่าพระราชาผู้เข็นใจคือพระเจ้าอาโศก น, นั่นเองธรมมาโศกราบนะ่ผู้เข็นใจ ในอนาคตการจงถือเอาแก้วมณีนี้สักการะพระบรมสารีริกธาตุเถิดคือแก้วมณีเนี่ยวางไว้ข้างนอกถ้าเผื่อพระเจ้าอาโศกมาเจอแล้วก็ให้เอาแก้วมณีเนี้เข้าไปบูชาเพราะว่าของที่บูชาแลนะ้วเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดนะฝ่ายท้าสั ก, การเทวราชก็ได้ตัดใช้พระวิษณุกรรมเทพบุตบุว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูกับพระมหากกัสปะเถระได้กระทำทาตุนิทานกรรม คือฝังพระบรมสารีริกธาตุไว้แล้วเธอจงลงไปจัดการอารักขาป้องกันอันตรายไว้ด้วยต้องให้เทวดามาช่วยอีกพระวิศนุกรรมเทพระบุตรับเทวราชบัญชาแล้วก็ลงมาสู่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจึงเนรมิตหุ่นยนต์เป็นรูปสัตว์ ร, ร้ายเป็นรูปไม้ถือพระขันธ์อันคมกล้ามีลักษณะราวกับแก้วพลึกหน้าสะพึงกลัว วิ่งวนรอบห้องพระบรมสารีริกธาตุอยู่รวดเร็วดังลมพัดวิ่งเป็นหุ่นยนต์อันนี้โจโฉก็ทำเหมือนกันนะโจโฉเนี่ยเขากลัวศัตรูจะไปขุดศพเข้ามาทําลายเขาก็ต้องปลอมห่วงซุยไว้เยอะๆะแล้วก็ทำเอากุนยนเอาไว้เนี่ยแสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยจีนก็ทําเป็นเหมือนกันไม่รู้ใครเอาอิทธิพลจากใครไปแต่เนี่ยทาด้วยอํานาจของเทวดา แต่จีนนั้นทําด้วยอํานาจของของคนที่เป็นใหญ่ลกลัวเขาจะมาขุดศพไปทําลายแล้วเอาแท่งศิลามากระทํากําแพงล้อมไว้นําแผ่นศิลาแผ่นใหญ่มาปิดข้างบนกลบดินทับข้างบนและทําให้เรียบเสมอเป็นอันดีแล้วเนลมิตรพระสถูปศิลาองค์หนึ่งตั้งทับไว้เบื้องบนอันนี้เป็นทำด้วยหินเพราะหินเนี่ยทนนะ เป็นอันเสร็จการกระทําทาตุนิฐานคือฝังพระบรมสาลีริกธาตุเนี่ยขั้นพระเจ้าอาโศกมหาราชต่อมา200กว่าปีนะทรงทราบว่าการฝังพระบรมสารีริกธาตุนั้นมีอยู่จึงให้ลื้อทําลายพระสถูปเจดีย์ทั่วเมืองราชครึ่เพื่อค้นหาพระบรมสาลีลิกธาตุแต่ก็ไม่ทรงพบจึงทรงรับสั่งให้ก่อสถูปเจดีย์ไว้เป็นปกติดังเดิมแล้วเสด็จพา บริษัทษ4ี่คือภิกษุภิกษุนีอุบาสกอุบาสิกากับทั้งจตุรงคโยธาคือทัพสี่ได้แก่ผลช่างผลมา้าพลรถพลเดินเท้าเข้าไปสู่เมืองต่างๆไปหาพระบรมสารีริกธาตุได้แก่เมืองรามคามเมืองเวสาลีเมืองกบิลพั์เมืองอัลลกัปปะเมืองเวททะทีปกะเมืองปาวาและเมืองกุสินารา8เมืองนะให้ลือพระเจดีย์ค้นหาพระบรมสารีริกธาตุก็ไม่พบ ก็จึงให้ก่อขึ้นไว้ดังเก่าสมัยนี้เนี่ยเรามาลือพระเจดีย์แล้วมาขุดแล้วก็ไม่เห็นทำไม่ดีเหมือนเดิมไอ้พวกขโมยทั้งหลายนะอยากได้พระอยากได้ของเก่านะไม่รู้ว่าทําไมไม่รู้จักก่อไว้บ้างนะคนเขาอุตส่าก่อบูชาพระพุทธ เ, ทเจ้าเนี่ยมันไม่ได้รู้เรื่องเลยการทําลายพระเจดียนะ์เนี่ยมีบาปนะเหมือนกับอนันตริยกรรมเหมือนกันทําลายต้นโพ ผู้เุทธเจ้าท่านอาศัยตัสรูเหมือนกันเนี่ยแต่การขุดค้นหาพระโรมสาลิกธาตุที่เมืองราบคามได้เกิดเหตุแปลกประหลาดขึ้นอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดเลยคือพญานาคหมู่นาคไม่ยอมให้ลื้อทำลายพระเจดีย์โดยทำให้จอบเสียมสิวขวานแตกหักเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ไม่สามารถขุดรื้ได้เมื่อการค้นหาพระรมซาลิกธาตุไม่พบดังพระราชประสงค์ของพระเจ้าอโศกมหาราช พระองค์จึงเสด็จกลับเบืองราชคลึ์อีกสั่งให้ประชุมบริษัทสแล้วตัดถามว่าท่านผู้ใดผู้หนึ่งเคยได้สะดับรับฟังมาบ้างไหมว่ามีการกระทำทาตุนิทานไว้ณที่ไหนก็ฉลาดเหมือนกันนะก็ท้องประชุมถามในที่ประชุมนั้นมีพระมหาเถระผู้เท่ารูปหนึ่งมีอายุได้ร2 0ปี120ปีนี่ก็สองช่วงคนเพราะว่า2 สิ 13, ใช่ไหมที่พระมหาที่พระเจ้าอาโศกขึ้นครองราดเนี่ยท่านอายุร้อยี่สิบแล้วเนี่ยก็มีพระเถระที่เป็นอาจารย์ของท่านน่ยก็คงจะอายุเป็นร้อยเหมือนกันนะได้ท่านได้กล่าวกับพระเจ้าอาโศกว่าถวายพระพรมหาบพิษอาตมภาพไม่ทราบว่าฝังพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่ไหนแน่แต่ในเวลาที่อาตมาภาพมีอายุได้เจ็ดขวบ คือร้อยกว่าปีแล้วนะนะได้บรรพชาเป็นสามเณรแล้วพระมหาเถระผู้เป็นบิดาได้ถือพ้าอบดอกไม้นะพ้าอบใส่ดอกไม้พาอาตมาพาไปสู่สถานที่แห่งหนึ่งพร้อมกับกล่าวว่านี่แน่สามเณรที่ระหว่างกอไม้โน้นมีพระสถูปศิลาพระสถูปหินเจดีย์หินอยู่องค์หนึ่งเราจะไปที่นั่นการไปถึงแล้วก็กระทำการบูชา แล้วจึงบอกว่าสา ม, มนเณรเธอควรจำสถานที่นี้ไว้พ่อสั่งนะเป็นเรื่องสำคัญแล้ ว, วจำไว้นะสถานที่นี้อาตามาภาพทราบเพียงเท่านี้แหละขอถวายพระพรคงไม่ใหญ่นะหรอกพระสถุศิลาองค์นี้เพราะว่าถ้าใหญ่ก็คงจะมีใครเห็นพระเจ้าอาโศกมหาราชทรงสดับดังนี้แล้วจึงตัดว่าชรอยธาตุนิทานเจ้าะดิสถานอยู่ตรงนั้นเอง สั่งให้พระมหาเถระนำสะเสด็จไปสู่สถานที่นั้นแล้วให้ถากถางพุ่มไม้ก่อไม้อันลกชัดออกไปให้หมดก็ได้ทรงเห็นพระสถูปศิลาเด่นชัดนะคือต้นไม้คลุมไว้หมดแล้วและรับสั่งให้ช่วยกันเคลื่อนย้ายพระสถูปศิลาไปไว้ในที่อื่นให้ขุดลงไปที่ภายใต้ฐานที่ตั้งพระสถูปนั้นก็ได้พบปูนอิดศิลาและสายแก้ว และพอขุดลึกลงไปแปดสิบสอกก็ได้เห็นหุ่นยนต์วิ่งวนอยู่รอบรอบนะจึงตัดสั่งให้หาพวกแม่มดมากระทําพิธีกราบบวงสวงแต่หาเป็นผลสําเร็จไม่เอ้มแม่มดมีมานานมื้ยกันหนึ่ง น, นะนะแม่มดพ่อมดทั้งหลายก็ก็แปลกดีนะคือแทนที่จะถามพร ะ, พระเนี่ยเไปให้แม่มดมาบวงสวงแต่ว่า ก็ยังหุ่นก็ยังวิ่งวนอยู่อย่างนั้นนะนะหุ่นนี่เป็นรูปสัตว์รูปสัตว์ลายถือพระขันนะวิ่งวนน่ากลัวใครเข้าไปไม่ได้วิ่งลมวิ่งเร็วเหมือนลมพัดอนะ่ะพระเจ้าอาโศกมหาราชจึงตัดอ้อนบอนเทวดาอันเนี้ยถูกนะต้องอธิษฐานเทวดาว่าข้าพเจ้าจะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดนี้ไปบรรจุไว้ในพระเจดีย์แปดมื่นสี่พันองค์ที่ทรงที่สร้างไว้นั้น เพื่อจะได้เป็นที่สักการะบูชาแห่งทวยเทพและมวลมนุษย์ทั่วทุกประเทศพระพุทธศาสนาจะได้แผ่ไปอย่างกว้างขวางและวัฒนาสถาพรสืบต่อไปขอเทพเจ้าทั้งหลายจงช่วยป้องกันอันตรายและขอให้ได้พระบรมสารีริกธาตุสมปรารถนาเถิดอันเนี้ยบูชาเทวดาเพราะว่าพระเจ้าโศกเนียก็มีบุญมากเทวดาต้องตักน้มาให้อะมาให้ะใช้อะขันพระอินทร์ทรงเล็งทิพยเนตร เห็นเหตุการณ์นั้นแล้วจึงสั่งให้วิศนุกรรมเทพประบุตรไปนำเอารูปหุ่นยนต์ออกเสียนะแสดงว่าหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์สมัยนั้นเนี่ยดีว่าสมัยนี้แน่แะนะวิศนุกรรมเทพบุต์ก็กระทาตามบัญชาโดยแปลงเป็นเด็กห้าขวบทูลขออาสาใช้ธนูยิงรูปหุ่นยนต์แตกทำลายไปนะเป็นอย่างนั้นซะอีก พระเจ้าโศกมหาราชทอดพระเนตรเห็นแล้วทรงโสมนัสตัดสรรเสริญความเก่งกล้าสามารถของเด็กน้อยแล้วเสด็จเข้าไปที่ประตูเรือนทองแดงรับสั่งให้ทําลายตราที่ตีประทับไว้ที่กุญแจและสายอยู่ที่ติดอยู่ที่บานประตูอของเมืองไทยเราก็ทําอย่างนี้นะในพระาธาตุสาคัญเช่นพระปฐมเจดีย์หรื อ, อพระภูเขาทองเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของจะต้อง มีพระบรมราชองค์การเปิดเข้าไปก็เปิดไปได้เข้าไปบูชาพระบรมสารีริธาตุโดยใกล้ชิดแม่เข้าไปไม่ได้แต่ทอดพระเนตรเห็นอะไรก่อนเห็นแก้วมณีดวงใหญ่ซะก่อนที่พระเจ้าอาชาติศัตรูวางเอาไว้มีอักษรจารึกไว้ไว่าอย่างไรว่าในอนาคตพระราชาผู้เข็นใจจงถือเอาดวงแก้วมณีนี้บูชาพระบรมสารีริกาธาตุเถิดนะ ขราชาผู้ยากจนนะเข็นใจนะก็โกรธนะเนมาว่าเราจนไดนะ้เราเนี่ยไม่ชอบใครมาว่าเราจนเราโง่ทนะ่านั้นที่เราจนเราโง่จริงๆอะพวกเราเนี่ยพวกเราเนี่ยจนนะรู้ได้ไงว่าจนนะก็คือไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีหิลิโอตตปะสุตะจาคะปัญญานี่เป็นคนจนคนที่มีทรัพสมบัติมากมายแต่ไม่มีศรัทธาจนนะ ไม่ได้เป็นได้ว่าเขารวยนะและเขาจะจนเร็วๆนี้ด้วยคือจะตายเมื่อไหร่ก็จนเมื่อนั้นนั่นนะแหละแล้วคนโง่่ะเขาว่าเราโง่ในจริงคือเรายังมีโมหะอยู่ยังไม่รู้อริยสัจทุกข์นี่เรายังไม่รู้รู้แต่สุขอะไรแล้วก็สุขทั้งนั้นนะฮะแต่ความสุขที่ไหนมีความสุขจะไปหามันไม่มีความจริงคือทุกข์ทั้งนั้นไปอยู่ที่ไหนก็ทุกข์มีที่เดียวที่เป็นสุขคือพระนิพพาน ถ้าใครเขาว่าเราโง่เนี่ยเราก็ไม่คยยอมรับแต่จริงๆแล้วทั้งโง่ทั้งจนแต่ถ้าคนมีศรัทธาซะแล้วเนี่ยไม่จนแต่ยังอาจจะโง่อยู่บ้างแต่ถ้ามีปัญญาซะแล้วปัญญาเนี่ยไปรู้เรื่องกรรมเรื่องผลกรรมนะไม่โง่แล้วนะใครรู้เรื่องเนี้ยเราไม่โง่แล้วแล้วถ้าเกิดไปรู้ลักษณะของกรรมอ่าลักษณะของกิเลสลักษณะของ สภาวะธรรมทั้งรูปทั้งนามได้หมดอันนี้แล้วไม่โงแ่แล้วนะครับนี่เราจะพ้นทุกข์แล้วเราจะไปฉลาดกันจริงๆริงอะตอนเป็นพระอริยะบุคคลอริยะเนี่ยแปลว่าผู้ไกลความโง่นะไม่โง่อีกแล้วนะอริแปลว่าขาดสึกขาดสิกที่สําคัญที่สุดก็คือโง่โง่คือวสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นแล้วทําให้ไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นทุกข์จริงจริงนะกลับไปเห็นว่าเป็นสุขกลับไปรู้ว่าเป็นสุขหรือสิ่งนี้นะไม่มีตัวตนเป็นรูปเป็นนามก็ไปเห็นว่าเป็นตัวตน เนี่ยเราในี่ยโง่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อถูกเขาว่าว่าตั้งสองร้อยปีว่าข้ามข้ามชาติมาเลยนะว่าว่าเป็นคนจนพระเจ้าโสกก็โกรธโกรธแล้วก็ตัดว่าพระราชาเช่นเรานี้หรือที่เรียกว่าพระราชาผู้เข็นใจทั้งทั้ ง, ท, งที่เรามีอนุภาพทั่วสกลชมพูทวีปอย่างนี้ยังจนอีกเลยก็ <c oughs> ชักยั่วแล้วนะแล้วตัดให้เปิดประตูห้องพระบรมศาลาทีกรทาทุกทุกชั้นออกตลอดจนเข้าไปถึงเรือนแก้วเจ็ดประการก็ขเข้าไปจนถึงนั่นแหละที่ว่าจนเข็นใจก็เพราะว่าจะจะไม่สามารถทำทำเครื่องประดับหรือเครื่องบูชาได้อย่างกับพระเจ้าอาชาติศัตรูอี ก, กทำไม่ได้หรอกนะรเจ้ า, าชาตศัตรูนี่มีบุญมาก ทีเดียวแหละเมื่อพระราชาเสด็จเข้าไปข้างในทอดพระเนตรเห็นไฟที่จุดไว้นานล่วงมาแล้วสองสิบปปี218ปีนะก็ยังสว่างอยู่ดอกบัวเขียวก็ยังสดเหมือนกับเก็บมาใหม่ๆมวลดอกไม้ที่โรยไว้ตามพื้นดินและของหอมทั้งหลายก็เป็นเหมือนกับของใหม่ก็ทรงพิศวงเกิดปีติทั่วพระอินทรีซีทั่วพระวรกายก็น่าพิศวงจริงๆ่ะ 218ปีแล้วนี่ยังใหม่ทรงหยิบแผ่นทองคำขึ้นมาอ่านมีข้อความว่าในอนาคตการเมื่อพระอโศกราชกุมารได้ผ่านมหาิสวริยะสมบัติขึ้นยกขึ้นซึ่งสเสวีราชาฉัตรทรงมีพระนามว่าพระเจ้าธรรมาโสกราชจะได้รือร้อธาตุหรือทาตุนิทานนี้ออกแจกจ่ายพระบรมตาดิริกธาตุทั้งปวงให้แพร่หลายไปประดิษฐานอยู่ทั่วสกลชมพูทวีป ใครล่ะที่จารึกนี้ก็คือพระมหากัสปะเถระจารึกในแผ่นทองคาเพระ น, นันพระเจ้าอโศมหาราชอ่านอักษรที่จารึกถึงพระองค์แล้วก็ทรงเกษมคือดีใจเปรมปรีเป็นอย่างยิ่งตัดว่าดูกอนท่านทั้งหลายพระมหากัสปะเถระได้เห็นเราไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะเป็นผู้มารือ้อห้องพระบรมสารีริรกธาตุนี้นะพระมหากัสปะเถระ มีอภิญยาเห็นอนาคตแล้วรู้จักพระเจ้าอาโศกก่อนพระเจ้าอาโศกจะเกิดด้วยทํารู้จักมาต้อง200กว่าปีนะเ <ic> ห็นว่าพระเจ้าอโศกเนี่ยจะมาเขียนชื่อไว้เสร็จเลยจะมานําพระบรมชายิีทาต์ไปประดิษฐานอยู่ทั่วชมพูเทวีปเพระเาะฉะนั้นจึงตบพระหัตต์ตัดว่าสมความปรารถนาของเราแล้วคือพระเจ้าอโศกเนี่ยต้องการได้พระบรมชายดีทาต์ไปบรรจุในเจดีย์แปดเบี่พัดทั่ว ธูทวีบในสมัยนั้นที่พระองค์มีอำนาจไปพระองค์จึงอัญเชิญพระสถูปที่บรรจุพระรมสารีริกธาตุใส่ลงในสุพรรณคือทองภาชนะทองคำนำออกมาภายนอกแล้วตัดสั่งให้ปิดประตูเรือนที่เก็บพระรมสารีริกธาตุทุกๆบานไว้ดังเดิมตั้งแต่เรือนแก้วเจ็ดประการจนถึงเรือนทองแดงชั้นนอกสุดให้กลบทายหินและดินกับทั้งให้เชิญฉลอพระสถูปศิลาเก่า มาประดิษฐานไว้ในสถานที่เดิมแล้วเท้าเธอก็เสด็จยกทัพอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับมาสู่เมืองปาตลีบุตรปาตลีบุตรเมืองสมัยสมัยนี้เขาเรียกเมืองปัตตนะปัตนะปตนะอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาได้ทรงกระทาส ก, การะบูชาโดยวิธีต่างๆมากมายทีเดียว หลังจากทรงกระทำพิธีสักการะบูชาแล้วก็ทรงแจกพระบรมสารีริกธาตุไปบรรจุไว้ในพระเจดีย์อันมีอยู่ทั่วณัพระวิหารทั่วทุกทุกพระนครทั้ง 84,000 แห่งในแผ่นพื้นสกลชมพูทวีปทั้งสิน้นได้สำเร็จลงเรียบร้อยดีเพราะเหตุสองประการคือ 1. ด้วยพระราชานุภาพ 2. ด้วยพระอาหารหันตฤทธานุภาพและเหลือพระบรมสารีริกธาตุไว้ส่วนหนึ่ง เมื่อบัญจุพระบรมสารีธาตุในพระเจดีย์ทั้งหลายทุกๆพระนครเสร็จแล้วต่อจากนั้นจึงทรงรับสั่งให้ก่อสร้างพระสถูปพระมหาสถูปองค์ใหญ่ขึ้นใหม่องค์หนึ่งมีความสูงประมาณครึ่งโยชน์8กิโลเมตรแต่บัดนี้ไม่เห็นเลยนะคนอินเดียนี่เกลียดพระเจ้าอาโศกนะไม่ยกย่องแต่เอาเอาเอ า, เอาสั ญ, ญลักษณ์ของท่านไปทาเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของประเทศอินเดียคือสิงรูปรูป สิงค์ำรามสี่ทิศน่ะเอาไปทำแต่ไม่ยกย่องเพราะว่าพระพุทธพระเจ้าทรงนับถือพุทธศาสนานะเป็นอย่างนี้ไปก็พระองค์สร้าง